สมาธิตกแต่งกับสมาธิธรรมชาติสมาธิที่ตกแต่งเอามันจะแก้ปัญหาจิตไม่ได้แต่มันก็สามารถมีภูมิรู้เหมือนกันแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าสมาธิตามธรรมชาติมันรู้เห็นตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตัวของมันเองได้หลวงพ่อได้นิมิตที่เคยเป็นมานั่น อันนั้นแหละทำให้วันโรคมันหายยังกระปริดทิ้งเพราะฉะนั้นเรามีความรู้ความเข้าใจสมาธิตามธรรมชาติของมันจริงๆแล้วใครจะมาพูดอะไรอย่างไรอย่างไรมันไม่เขวไม่หวั่นไหวแต่มันจะไม่ตำหนิไปนั่งฟังพระเขาคุยกันอยู่ที่วัดหลวงพ่อวันไปเยี่ยมอาจารย์วันพระระดับลูกศิษย์เขาคุยกัน กรรมาฐานอันนั้นเป็นอย่างนั้นกรรมาฐานอันนี้เป็นอย่างนี้ในฐานะที่ท่านวันเป็นผู้อาวุโสเราก็นิ่งเงียบพอท่านอาจารย์วันท่านพูดอย่าไปว่าเขาทัศนาของเขาเป็นอย่างนั้นความเห็นของเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปว่าเขาพอหลังจากนั้นมาพวกพระที่ถูกทักเนี่ยเขาจะได้ผลอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราเนี่ย ได้ผลอย่างมหาศาลพอหลังจากนั้นใครว่าอะไรใครว่าอะไรเราฟังได้หมดแล้วก็มาได้ความว่าโสตาปันนะผู้เป็นพระโสดาบันคือผู้ยอมรับฟังปันนะแปลว่าถึงโสตาแปลว่าการฟังพูดถึงซึ่งการฟังใครพูดผิดพูดถูกพูดดีพูดชั่วฉันฟังได้หมดทุกอย่าง แต่ว่าเมื่อฉันจะเอาจิตของฉันจะเลือกเฟ้นเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้คือลักษณะของพระโสดาบันพอหลังจากนั้นมาถ้าเห็นใครมาคุยหวดเรื่องภูมิจิตภูมิใจเราได้สมาธิขั้นนั้นยานขั้นนี้อะไรทำนองเนี้ยยิ่งฟังสนุกแล้วมันจะไม่ยอมขัดแย้งใครเลย รู้กับเห็นอะไรมาก่อนเมื่อสมาธิธรรมชาติมันเกิดขึ้นจิตมันจะรู้เห็นเป็นไปอย่างไรเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาจะให้เขาเป็นไปเช่นนั้นเมื่อจิตมันยอมรับเมื่อไรมันจะแสดงความรู้เป็นภาษาออกมาเมื่อมันไม่ยอมรับแล้ว เราจะไปนึกอย่างไรมันก็ไม่ยอมรู้ได้มันก็ไม่ยอมรับคำว่ารู้เห็นหมายความว่ารู้แล้วมันเห็นด้วยกับความรู้นั่นแสดงว่าจิตยอมรับในทางสมาธิมันเห็นแล้วมันรู้ทีหลังถ้าโดยสัญญามันรู้แล้วมันเห็นทีหลัง